เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีโป่องอาถันแห่งป่าลึกเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตายายเกี่ยวกับเรื่องของการหากินของสัตว์ป่าไม่ว่าจะไปกินน้ําดินโป่งหรือลูกไม้ก็ตามสมัยนั้นเชื่อกันว่าสัตว์ป่าแต่ละฝูง จะมีผู้ซึ่งคอยดูแลอยู่หรือที่เรียกกันว่าเจ้าของสัตว์ป่าเขาจะคอยควบคุมสัตว์ป่าแต่ละตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์ถ้าสัตว์ป่าตัวไหนเกเรก็จะถูกคัดออกให้เป็นเหยื่อของพรานพรานป่าในสมัยก่อนมักจะอธิษฐานขอสัตว์ป่าที่เกเรก่อนที่จะเข้าไปล่าสัตว์พ่อของข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งซึ่งได้เป็นนั่งห้างล่าสัตว์ในดงดิบทึบแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากในระหว่างที่รอสัตว์มากินลูกไม้อยู่นั้นก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งหลังจากนั้นก็เห็นคนซึ่งใส่กางเกงแบบโจงกระเบนแดงไม่ใส่เสื้อมีผ้าสีแดงโพกที่ศีรษะยืนอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็เดินหายเข้าไปในป่า สักครู่ก็มีฝูงหมูป่าเขามากินลูกไม้พ่อของข้าพเจ้าจึงยกปืนขึ้นพนมมือและอธิษฐานว่าขอสัตว์ป่าที่เกเรสักตัวหนึ่งด้วยเถอะสักพักสัตว์ป่าก็ค่อยๆทยอยกลับเข้าไปในป่าแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังกินลูกไม้ยังไม่หยุดพ่อของข้าพเจ้าจึงยกปืนขึ้นเล็งลากล้อง ไปยังหมูป่าตัวนั้นและลั่นไกปืนออกไปเสียงปืนดังสนั่นป่าพร้อมกับเสียงร้องของหมูป่าตัวนั้นมันล้มลงดิ้นอยู่บนใบไม้แห้งแล้วก็หยุดแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นพ่อก็รีบบรรจุลูกปืนและนอนเฝ้าหมูตัวนั้นอยู่บนห้างจนถึงเช้าจึงค่อยกลับบ้านดินโป่งเป็นอาหารโปรดของสัตว์ป่านาน า, นาชนิด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 แต่ถ้าว่านั้นแต่ละรายต่างก็เจอเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดต่างกันออกไปบางคนก็ได้ยินเสียงสัตว์นั้นมากินดินโป่งเป็นฝูงแต่เวลาเปิดไฟแล้วกลับไม่เห็นวีแววของสัตว์เลยบางคนก็เห็นสัตว์ป่าและพอยิงแล้วก็เห็นมันหายไปต่อหน้าต่อตาจนทำให้โป่งแห่งนี้กลายเป็นโป่งอาถรรพ์ เพราะต่างก็ว่ามีผีโป่งสิงสถิตยอยู่ถึงเวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่โป่งแห่งนี้ก็มีร่องรอยของสัตว์ป่ามากินดินโป่งอย่างชุกชุมเช่นเดิมแต่ก็ไม่มีใครที่จะมานั่งห้างนี้อีกแล้วจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านแถบนี้ซึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ได้เดินเที่ยวป่าและไปพบโป่งนี้เข้า เขาจึงมานั่งโป่งนี้และก็ได้พบกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เหมือนกับคนอื่นๆจากประสบการณ์การเที่ยวป่าของเขาทำให้รู้ได้ทันทีว่าโป่งแห่งนี้มีวิญญาณของสัตว์นานาชนิดยังคงวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขาจึงได้ทำพิธีปิดโป่งโดยการนำปลอกลูกปืนที่เคยยิงสัตว์มาฝังไว้ที่โป่งแห่งนี้ เพื่อปลดปล่อยวิญญาณสัตว์เหล่านั้นออกไปไม่นานโป่งแห่งนั้นก็กลายเป็นโป่งร้างไม่มีแม้แต่สัตว์ป่าตัวใดเข้าไปกินแต่เรื่องราวของโป่งแห่งนั้นก็ยังเล่าสืบต่อกันมาเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับของโปง่งมีอยู่หลายเรื่องดังเช่นที่เราจะยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคลิปนี้ครับ เกี่ยวกับเรื่องผีโป่งดงดำวิญญาณสัตว์ที่ถูกฆ่าตามโป่งมันจะผูกอาฆาตและเมื่อมันมีโอกาสมันจะยำลงในตัวคนตามป่าทั่วไปเราจะพบสัตว์ป่ามากินดินโป่งซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารพิเศษบารุงให้สัตว์สมบูรณ์ไปตามธรรมชาติไม่ว่าสัตว์น้อยใหญ่ก็จะต้องกินโป่ง หรือง้วนดินเสริมพลังงานดินโป่งแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามความเข้มข้นของาธาตุอาหารขณะเดียวกันาธาตุเหล่านั้นบางครั้งก็มีพิษต่อคนบางคนที่มีความต้านทานไม่เพียงพอหากเดินไปใกล้หรือลงในดินโปง่งก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าผีโป่งใส่ยำปูปันแข้งแคะ ได้เดินกระป๊อกกระแป๊กกระดอกกระเด๊กกระโผล ก, กระเพลงไม่สมประกอบเพราะตอนที่เขายังหนุ่มเขาชอบนำสีนาดยาวซึ่งก็เป็นปืนเฝ้าไปส่องสัตว์ที่ลงกินโป่งตามป่าสินเสียงสีนาดสัตว์ป่าไม่ว่าเป็นกวางเก้งหรือสัตว์อื่ น, นก็ดิ้นกระดาวกระดาวสายตาเบิกโพงด้วยความแค้นทั้งท้งที่เลือดสตร์ยังแข็งใจ นอนเลือกตามองว่าใครเป็นผู้ยิงมันทั้งทั้งที่มันหากินอย่างสุจริตไม่เคยเบียดเบียนใครวิญญาณสัตว์ตัวแล้วตัวเล่าเมื่อสิ้นใจเปลือกตาของมันก็อ้าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปิดวิญญาณยังเลื่อนลอยไปมาอยู่แถวโป่งดินด้วยแรงอาฆาตและห่วงแหนถิ่นที่เป็นผีเฝ้าโปง่งผู้คนเรียกกันว่าผีโป่งดงดำ บางครั้งเมื่อมันสบโอกาสเห็นคนหลายๆคนที่กำลังส่องสัตว์มันก็จะแปลงร่างเป็นสัตว์เข้ามากำบังตัวคนผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อหลอกล่อคนอื่นๆให้หลงเข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่าจากนั้นจึงยิงร่างผีสัตว์กำบังพอสิ้นเสียงปืนกลับเกิดเสียงคนร้องโอดโอยครวญครางกลายเป็นว่าพรานล่าสัตว์ ยิงพรานด้วยกันเองกลายเป็นผีเฝ้าโป่งอยู่กับวิญญาณสัตว์ต่อไปตามเวรตามกรรมบางครั้งวิญญาณของผีโป่งป่ามันจะใส่ยำหรือง้วนพิษโป่งลงไปในตัวคนที่ไปเดินล่าสัตว์ตามโป่งจนมีอาการหัวเข่าบวมเป่งผู้คนทั่วไปเรียกกันว่าโรคโป่งหากรักษาไม่ถูกทางแล้วล่ะก็ เนือช่วงบริเวณหัวเข่าจะเปื่อยยุ่ยจนกระดูกเข่าหล่อนแข้งหลุดออกจากขาเกิดอาการเจ็บปวดทรมานเป็นคนขากุดขาด้วนแต่บางคนรักษาถูกทางก็เพียงแต่อาการบวมยุบลงเหลือเพียงหัวเขา่าเดินกระโผลกกระเพกไม่สมประกอบทางภาษาล้านนาเรียกกันว่าเสียองกะผีโป่งดงดำมันมียำหรือว่าพิษ ซึ่งมันจะเปลี่ยนงวนดินที่รสอร่อยให้กลายเป็นงวนพิษที่สุดโหดอมผูพ่นใส่หัวเข่าคนที่ลงไปเก็บซากสัตว์ในโป่งจนป่วยให้สมกับกรรมที่พวกเขาได้ทำกับสัตว์ป่านั่นเองและก็มีผีโป่องอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าผีโป่งข้างซึ่งผีโป่งข้างนั้นชาวบ้านถือว่าเป็นผีประจำอยู่ในป่า ผีโป่งข้างเกิดจากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายกลายเป็นปีศาจมาหลอกหลอนบางทีมันก็แปลงกายมาเป็นคนมาล่อให้ในายพรานลงจากห้างจากนั้นก็จะทำอันตรายแกนายพรานคนนั้นเสียเรื่องของผีโป่งข้างบางครั้งก็เล่ากันว่าเป็นผีหรือเป็นสัตว์ที่หน้าตาคล้ายข้างและครั้งหนึ่งเมื่อพระยาราชเสนา เข้าป่าเมื่อเห็นข้างมากก็ถามถึงผีโป่งข้างก็ถูกผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้พูดถึงทันทีเพราะถ้าไปถามเข้าอาจจะถูกมันดูดเลือดได้แต่ครั้งนั้นไม่มีโอกาสได้เห็นผีโป่งข้างและเมื่อเจ้าพระยาราชเสนาอายุได้สาสิปีก็ได้มีโอกาสไปพบโป่งข้างที่หนองหงและที่หนองหงไม่มีใคร กล้าพักแรมเพราะเป็นแหล่งที่โป่งข้างมาลงโป่งข้างมีลักษณะเหมือนลิงร้องปอกเจ๊กชอบอยู่บนที่สูงมีอิทธิฤทธิ์ในการดูดเลือดคนเป็นเป็นและคนคนนั้นก็จะตายในทันทีและพอถึงน้องหงท่านก็สั่งให้ลูกน้องพักผ่อนตัวเองจะคอยเฝ้ายามเองแล้วคืนนั้นยามดึกสงัดท่านก็ได้ยินเสียง อกเจ๊าะพกเจ๊พะพกเจ๊าเข้ามาใกลๆ้ๆบริเวณที่ลูกน้องนอนอยู่ทันใดนั้นเสียงก็เงียบไปจากแสงสว่างของกองไฟที่ได้ก่อเอาไว้ก็เห็นมันค่อยๆไต่ลงมาจากต้นไม้ตรงไปที่ปลายเท้าของลูกน้องคนที่นอนหลับอยู่พร้อมที่จะดูดเลือดเจ้าภริยาราชเสนา ได้ยกปืนลั่นไกลยิงไปที่ผีโป่งข้างทันทีแล้วผีโป่งข้างก็ล้มฟุบลงไปและเมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็สามารถเห็นมันได้อย่างชัดเจนมันมีรูปร่างเหมือนข้างแต่มันตัวใหญ่กว่าข้างธรรมดาหางสั้นเนื้อริมฝีปากข้างบนหดเหี่ยนจนเหลือแต่เหงือกชอบหากินตอนกลางคืนชอบดูดเลือดและมักจะมาตัวเดียว ไม่อยู่เป็นฝูงและนี่ก็คือเรื่องราวของผีโป่งที่เป็นอีกหนึ่งความลึกลับดามืดในป่าลึกก็ขอให้คุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังและฟังเพื่อความบันเทิงกันนะครับหากคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ